ก็เป็นอันละทุกวางสุขด้วยเหมือนกันใครเล่าจะมีความสามารถพลากสุขทุ ก, ทกออกจากกันได้รเราตถาคตก็ไม่มิเศษที่จะพลากจากกันได้ถ้าหากเราตถาคตพลากสุขและทุกออกจากกันได้เราจะปาถนาเข้าสู่พระนิพพานทำไมเราจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวสเสริยแต่ความสุข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 ดูก่อนอมันอันสุกในโรกีนั้นถ้าตรวจสองให้แน่นอนแล้ว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 จึงตัดเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอ น, นุนกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลสพันห้าร้อนั่นเองอัพญักตรธรรมนั้นก็คือองค์พระนิพพานพลันพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแลว้วจึงเป็นองค์แห่งพระอรหันต์แลพระนิพพานโดยแท้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 ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเองดูก่อนอานนท์ถึงตัวเราตถาคตก็ต้องน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านจึงโปรดให้ตถาคตนี้ได้เป็นครูแก่โลกเห็นปาฏิหารินี้เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ดีและจากให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้แบบวทำเนียมด้วยสมควรแต่ผู้เร็วสามต่ำช้า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 ผู้ที่มีสีนน้อยอานิสงก็น้อยผู้ที่มีสินมากอานิสงก็มากขึ้นไปตามส่วนของสินบุคคลมุที่มีได้ตั้งอยู่ในสีนห้าถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีสินห้าผู้ที่มีสีนห้าก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะไปกล่าวประมาท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 ก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพระพุทธศาสนาดูก่อน อ, น, อนุนเราจะหาคตบัญญัติศีลห้าีลปศสี 5, สิ0ศี 10, พระปาฏิโมกไว้หลายประเภทนั้นก็เพราะอยากให้ศัตว์ยกตนออกจากกองกิเลสถ้าบุคคลจำพวกใดตั้งอยู่ในศีห้าบุคคลจำพวกนั้นก็บางจากกิเลส ช, ชั้นหนึ่ง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 เลือกรักษาแต่เล็กแต่น้อยก็ยอมได้รับความสุขกายสบายใจผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆนานาเพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไปจึงเป็นทุกข์ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกลักษาแต่สิ่งที่จริงที่แท้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขเปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาดไปตัดไม้ในป่า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 เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็รักษาพร่ำเพื่อไปจนไม่มีขอบเขตจึงต้องได้รับความลำ บ, บากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงานต้องแบกเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวไปเปล่าๆเชนั้นผู้มีปรีชาท่านรักษาวินยัยและข้อวัดไม่มากแต่หากได้รับอนิสง์เพียงพอเหมือนอย่างผู้รักษาแก้วดีดวงเดียวหรือผู้ที่เรียนมน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 ตัดเทศนาแก่ค่าอานนท์ด้วยประการดังนี้ดู ก, ดก่อนอานนท์บุคคลที่เข้าใจว่าทําบุญไว้มากๆแล้วจกรู้แลไม่รู้ก็ไม่เป็นไร